พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่26โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่23เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าเผ่าภูไทยกับสายกรรมฐานอา่าวพระลกหลานประจำที่ เมื่อวานพี่นองประเทศเล่าประเทศเมืองเวียงจันท์เวียนเทียนมาวัดหลวงพอลองพอก็เลยบอาภาษาทั้งอีสานให้พี่นองทั้งหลายได้ฟังเพื่อการศึกษาพวกเขามีแต่บอกเาะภาษากลางภาษาไทายอยู่เลย ภาษาเล่ากระจิลืมมือว่านก็เลยบอกเป็นภาษาเล่าบอกนท่านนกกระจิบนกกระจาบแตกสมัมมัคคีมือว่านแต่มนเนพี่น้องลูกหลานมาจากทั้งมุกดาหารได้เป็นผู้ไทยมนันหลวงพ่อจิดาะภาษาผู้ไทยสปิกภาษาผู้ไทยให้พวกเข้าฟังนะเมนเนนะ ผู้ไทยเลนู น, นักข่อผู้ไทยค้ำชฉีผู้ไทยกูตวาหนองฮางเป็นเผ่าผู้ไทยผู้ไทยพลานานิคมเป็นเผาเผ่าผู้ไทยโมนีลามาจากพุนนมาจากเมื่อว่างอ่างคำฝากสวรรค์เทศติดแดนเมืองแก้ว ไม่ล้มไม่ล้มแบ่งแดนแก้วคนเราไปมันเป็นผู้เขาลูกนึงได้เออมันแก้วกับเล่ามันทะเลาะเดี๋ยวอยวู่เลย่ยคนเราไปพวกกุไทยก็ไปอยู่แถวๆนั่นแหล อ, อพญาแสนโคตตะบองเ อ, อเป็นอย่างยังหาแบ่งญาติมาพญาสีโคตตะบองก็เลยเอาแบกคอนไปกับแบ่งทส่ฟาดฉลังผู้เขาเราไป คนบัวละอนเขาว่าเขาเลยว่าเป็นไม้ไปไม้ล้มแบงแดนแก้วไปน้าไปคนละแบงไปเนเน่ไปไปเป็นทางอัดลาดไปนละไปทางนึงไปทางแก้วทางน้งมาทางเหลาคนละไปอต่อเ น, นี้ไปสูจะทะเลาะกันอะไรพญาแสนสีโคตตะบองคนลไปแบ่งแบ่งเขตแต่แนวพวกผู้ไทยก็ยุ่นนั่นแหะแนวมาทางเบืองมกเมืองบกเมืองวัง สมัยรัชกาลที่สองสมัยช่วงนี้คนน้อยเด้คนมันน้อยวันโนไปคนปีหลายคนมีหลายคนน้อยในทื่อเดียวเด้ขั้นเห็นกันโอ้ยหักกันวันโไปโจปากกันวะมันไปเพราะมันคนน้อยเด้ย่านเสือกยานยานผีกยานวันโนไปมันคนน้อยเด้พอมันคนหลายขึ้นมานี่ยไปที่เราเห็นแต่คนออกูจะขามันทิมว่นวะมันหลายโพดวันไปเออเนี่ยแหละ สมัยนะั้นมันคนน่อยพญาพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่สองพะเลิดล้ามเข้าไปไปเมืองลาวไปกวาดาไปกวาดตอนจอนเฉลยซึกกดไปตอนพวกเฉลยพวกกวาดพละเมืองมาจากประเทศลาวพ้ามหอดแถวมุกดาหารเก้าเฮาแถวบ้านกุดงงบ้านนั่นนะพวกผู้ไทยก็ย่หัน บัลลังก์กระจายมาทางคำเชีนองสูงพวกนั้นก็ขยายขึ้นไปทางเลนูนคร น, นี่แหละต่อมาก็ขยายไปทางพันลนานิคมตัว น, นั้นก็ขยายไปทางกาลสินนองว่าคำฮางออกไปอันนี้คือเผ่ากุไธด์ได้ว่าลทธิพภูมิ น, นี่ยแต่ภาษาในที่ตั้งที่ตั้งเดียวนะภาษาในท่ตั้งกันตั้งเดียวนี่คือว่าต่างกัน แต่ภาษาถ้าจะเว้าไปภาษาผู้ไทยเนี่เป็นภาษาที่กระดกกระเดกถ้าฟังถ้าว่าพวกเฮาฟังแต่ว่าภาษาเพ้อภาษามันอย่างว่านหรอภาษาใครภาษาเล่าเนี่าบอภาษาเพ้อภาษามันหมดไปอันนี้คือภาษาผู้ไทยแต่เผ่าผู้ไทยมาอยู่มุกดาหารเนี่ยถ้าว่าเป็นคู่บาอาจารย์เขาหลบหลวงปู่มัน เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มันไม่หลายนะสัทยาญาติโยมหลวงปู่ฟันก็แม่นเลยพุทธายหลวงปู่ฟันหลวงปู่กู้หลวงปู่กว่าหลวงปู่กลงแก้วหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมพุทธายจารโณหลวงปู่แว้นหลวงปู่จามโอ้กูบาอาจารย์หลวงปู่มหาเขียนบ้านโพนตีเพนก็แม่นเพือเดียวมหาปทอเก้าเป็นเพื่อนกับสมเด็จพระสังฆราชเลย ปูกหลวงปู่มหาเขียนสรุปแล้วคือพอมองมองดูแล้วผู้ไทยเนี่เป็นพุทธศาสนานิกระชนนะแล้วก็เป็นนับถือพระพุทธศาสนานี่ยมาแต่โ บ, บรล้มโบราณ น, นี่ถ้าวัาไปแล้วก็ยืดเหยานานทีเดียวนะแต่หลวงปู่มันครับหลวงปู่เสาร เ, เพิ่นเป็นนเลอรเพิ่นยังได้มาไม่ยู่แถวบ้านห้วยสายบาน เพ้นเขาคงจะเที่ยวทุดง เ, เที่ยวทุดงมาตามผู้เขาแต่หลวงพ่อไปเบิงบงเนี่ทำเลเแถวบ้านหลวงปู่มันเนอ็งเพอเอ็เภอศรีเมืองใหม่นะจังหวัดสักจังหวัดอุบลจังหวัดมันติดต่อกับอำเภออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมันอยู่เป็นสายไส้เขามันเป็นผู้เขาเป็นแถวมาเนีมันเลาะเละฝั่งโคงมาเพราะนั้นหลวงปู่มันเนี่ยพ้นสอบเที่ยวทุดงแต้ม ผู้ผาป่าไม้เนี่ยเป็นเที่ยวตามผู้ตามผาป่าเยพ่อเพ่อนมามา่ม า, มาก็มาเจอมาเจอพวกผู้ไทยเนี่ยหะอำเภอหนองสูงคําชีียเนี่ยมาเจอบ้านห้วยสายเนี่ยมาหลวงปู่มันก็มาต่างวัดอยู่บ้านห้วยสายมีหลายวัดเลยวัดหนองนองวัดบ้านห้วยบ้านหนองแวงถ้ารวัดมองเมืองอีมอง เ, อเลอเล่เยหลวงปู่มันอยู่แต่หลวงปู่เสาไปอยู่บ้าน ทำผู้ปักกุบ้านนาคันแท่เคอะเอบ้านหนองสูงเอ่อเคออะเกันกับ้านห น, น, อ, อ, นองสู ง, เ, เ, ง, สงเป็นผู้เขาผู้ปักกุฎนี่แหละอันนี้ก็คือหลวงปู่มันเพิ่นมาอยู่บ้านหวยทรายแต่ตามไม่จริงพ่อมาอยุหันกัพวกพี่น้องบ้านหวยทรายกัอลุ้นปู่ของหลวงพ่อเนี่ยเราหลวงปู่ลุ้นปู่หลวงพอ่งงงพอพ่อของหลวงพ่อจำ้ำ แม่ของหลวงพู่จามหลวงพู่จามก็เป็นอาเป็นอาหลวพ่อเนี่ยเนี่ยแหละเป็นเป็นผู้ดูแลนมย่าเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติคุณแม่แก้วไอ้คุณปฏิบัติคุณหลวงปู่มันสมัยนั้นคุณแม่ชีแก้วยังเป็นสาวสิทธิ์ฤทอยู่เะอยางสาวน้อยอยู่น่นไปเนี่ยแหละไปอยู่กันพระนหลวงพู่ชอบหลวงพู่หลวงพู่ชอบหลวงพู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่ลุย เออคู่บาตรจ า, รานเจ็ดสิบองค์พ่อโยมญาติวหลฟังสมัยนั้นนะ่ะโยมญาติเพิ่นบวชเป็นเมชีหลวงพ่อถับถามเพิ่นในวอลหฮฟังโอ้โยมญาติเพิ่นมาอยู่บ้านเนาะเดีนั้นนะ่ะบานหาถวายอาหารพอเพิ่นเอตุเลเรล่ะวะมันเพิ่นที่พ่อฉันอยู่บล่ละโอ้ยพวกผู้ฆ่ากระเจักยบเอาเปลือกเอาแกงมันมีแนวะพ่อว่าแกงมะนมีเนะี่ยคือแกงขนุนนวดไป เอาคอมีมกมงมีมาอดน่วยอ่อนๆมาหมากระทากทากทกเปลือกมันออกยเด็กย่ำยๆำย่ำย่ำ็มีดฝานๆานฝานฝานเแกงใส่ยาหน้างเคู่บาก็มิดตะคู่บาลุนนมนมใช่ไหมล่ะคู่บาสอบบอกคู่บาเทศบ่กคู่บาฟันมีแต่3 4 5าพันษา2 3าพันษาได้สมัยนั้นมันยกเขหลงปูมันนะกำลังน้อยๆนมนม กินเพลื่มก็แซ่บมัดหนอเราไปอร่อยมัดหนอเราไปเออเกี่ยขอสำคัญให้มีเขากินเท่านั้นแหละเนี่ยแหละพ้นก็อยู่กระหลวงปูมันพระเป็นเจ็ดสิบองค์เนี่ยผมบอกโมแมนน้อยแนตะ่ขนาดนี้แหะนะพระอ่ะอยู่บ้านหอยทรายกัน บ, บ้านหอยทรายก็มีเมนบ้านใหญ่อีกต่างหานะเนี่แหละสรุปแล้วก็คือมันนึกย้อนหลังดูพอแม้ปู่ย่าตายายวาาย่องสาคณญาติของผู้ไทยเนี่ยเป็นที่เป็นนับถือเคาเรพเลื่อมใส ในหลวงปู่เสาหลวงปู่มันลุนเก่าๆนะลุนปู่ลุนย่าเนี่ยเวลาเปิ้ลจวอลระลึกถึงหลวงปู peas, ่มันหลวงปู Kevin, ่เสาเนี่ยเปิ้ลจยกมือซะก่อนไล่าทันมันก่นะหยกมือซะก่อนย่าค่อยเก่ากไปญ่าทันมันญ่าทันเสาว่ต้องเรียกว่ายาทานไปไอ้ว่าเป็นว่าเขารบสูงสดดไปอยกว่ายอดหย่าทันหมดไปหย่าทันเสาหาย่าทันเสายาทานเสา ยาฐานสัมผันเอต่อมาเนี่ยแหละโลกปูมันเพจนก็ไปสอนเนี่ยพจนมีเทคนิคในการสอนเนี่ยพจนเห็นเผ่าผููไทยเนี่ยนับถือผีคนไปเออนับถือผีย่านผีแบบปกพู้ไทยเนี่นะเออเวลาจะไปทําการทํางานเนี่ยเดี๋วจะไปอ้อจะบ้านจากเขื่อนไปเนยไปเว้าอยู่แจ้มุมมุมเขื่อนเจ้าของเน่ยไปยุเข้าไปทางในเลยก็ม้วม้วนม้วนม้เออคอยถีบลาไป ทำการทำงานเน่อผีเน่าแล้วจะนั่นและวันนี้ไปบอกผีเฮิรนตะกอนวันนอ้ไปาได้ก็ไปกับกมมาก็มาบอกผีเฮิร์นตะกอนเด้อมาหอดเด้อผีเฮิรนเน่าวันนี้ไปให้รับหูรับทราบคนนไปบ่หมู่บ่มาม่ําผู้เดียวแล้ววันนไปต่อมาหลวงปู่มันเพิ่นมายูหันเพิ่นมาเห็นผู้ไทย้เนี่ยมันยานผีมันรับเนืบือผีหลวงปู่มันเพิ่นก็เลยมาเทศเด้ยพวกสู้เจ้า อย่าไปนับถือผีถือสางนะนับถือพระไตรสรารณาคมเลยคือจตระพภูตเจ้าพระถรำพระสงฆ์เป็นสรารณะเป็นทีพึงนั่นแหละเลิศประเสริฐนะพวกสุเจ้านะจะไปหานับถือผีผีมันกีเลสเอ่อคัณว่ามันเฮต์มันดีมันก็มันก็หายคุ้นคัณว่าเฮต์บริมันก็นก ห, นนหายโทษเออเพราะมันไม่กีเลสคือเกันกระเพ่านี่แหละพอนไปหลงปู่มันว้าพอนไปเออพวกนั้นสุเจ้าอย่านับถือ นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พ่อเอา้าตอนนี้ต้องไปโวยเขาไปยานแลหลติแหลกนะเขาก็ยานผียานผีฮักคอเขาเลยพวกผู้ไทยมันเอาไปหลวงปู่มันเป็นผู้นํานี่ยจานั้นเขาก็กล้าขึ้นมาเขาก็นับถือยึดพระไตรชรณคมแต่สมัยพูทธเราไปนี่แหละแต่ว่าตามไม่จริงผู้ที่เคาลบนับถือมีบอกมีผู้ที่สร้างหลวงปู่มันมีบอกบอก็มีคือเดียวได้ลุก ม, มันมียุคในสมัยรุ่นหลานเลยศรัทธา ญ, ญาติโยมนะ่ะพราะพระไตเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นผู้เมตตาเนาะรประเทศวัฒก็ยังมีมาเบียดเบียนพระอิ่ววนออไปอันนี้คือเดี๋ยวหลวงปู่มันไปอยู่ไปจำพรรษาอยู่บ้านหว้วยทรายนะไปเยบ็บมานบินทบานไปเย็บคันหน้าเขารเราไปผ่านคันหน้าเขาเพ่อพ่อมานคันหน้าเขาเขาก็โมโหจกักรีเอ็ดโนเลน่อเราไปเออพ่อ มิใหผ่านคันหน้าอิรเลือบหมนบินธบาทเม็นบมดลแต่ตามมืเชงกันว่ามันบวเสียหายเราคนลงไปเขามันบวเสียหายเราคนไปเย็บคันหน้าจะเือน่มันก็เย็บนิดๆหน่อยๆไปอย่างแต่ว่าความบวพ่อใจในเจอนะความบวพ่อเจอนะมันอยู่ในเจอนี่วันมันมีพ่อเจอเนี่ยอิเลือเราไปพลันชูมือนืงมากขเบียดเบียนเพิ่นย่แล้วบาดมันขึ้นได้อเลือปยัง่า เออไปขี้เสือ้อขี่เสื้อมองทางเขาไปมงทางเปื่อนๆน่ะ น, นะเอามองเอาขี้ตุมมองขี้ตุ่มเปินนะ่นเลยขี่เสื้อทานเลยเอาไม้ไปไปลั่นไมนะ่ไไปไปถุยไปถุยมาเฮ้ยมันขี้แตะเ่ถนนวนะเออพาไปเย็บไปเย็บขี่ขเจ้เ า, าของเอาไปเอีอยพาคขวางองค์ก็คงจะเหมือนอยู่มั่งมันลื่นอยู่มั่ ง, องเออมันก็ฝงกระเด็นกระดอนสะพานจี้บอลเพิ่นอยู่เพนะิ่นกูหูจักนะโอ้เนี่ยนี่แหละ อันนี้คือคนมีมเลื่อมใสนับถือก็มีอยู่คือเดียวนะมีแม้หลวงพอ่อจะว๊อแต่าทางดีได้ผู้ที่บ่เลื่อมใสนับถือก็มีอยู่ในยุคสมัยนั้นมันจะไปแต่แต่คนก็ว้าตโตๆกันคือเดียวได้บา้านโต่อมากเขาได้กรรมโอ้ได้กรรมส่งทอดถึงสัวลูกสัวหลานคือเดียวได้ลูกหลานในทํากรรมที่บ่ดีไว้นี่นะอมันทอดไปถึงชัวลูกสัวหลานเป็นอย่างไพอแม้ทําแล้ว มันจึงมันจึงทอดไปสโซลูกโซ่หลานนะมันเป็นกรร ม, มะพันธุกรร ม, มะปฏิเล่ น, นไปกรร ม, มะปฏิสรโนนะอคล้ายๆกับพ่อแม่เนี่ให้เอ็สแบบนี้นไปทำกรรมแบบนี้นะไอ้พวกที่โซ่ๆนะ่ะวิญญาณที่โซ่ๆนะ่ะวิญญาณที่มันบอดีนะนะเท่านั้นไปเป็นวิญญาณที่เป็นบาปเนะ่ยกรรมาเกิดน้าไปพอมาเกิดนําขึ้นมามันก็เป็นหูหนวตาบอดเป็นใบเป็นกึ่งไปแล้วบาทเนะี่ย เออเป็นกึ้เป็นบอมีดายคนเป็นกึ้ลงไปนี่แหละอันนี้คือเออมันก็เป็นสืบทอดกันไปเน่ยพราะนั้นกรรมสัวนี่ยแน่ววนมันบูดีนะีอย่าไปเหตุเทลเลยดีกว่านะลูกหลานนะขันเอ็ดกําสัวลงไปมันสืบทอดเนี่ยมันยาวนานเนยะทอดถึงลูกถึงหลานอีกเพราะเอกตัวเอ็ดตัวเองเอ็ดไม่ดีนะเพราะเองตัวเองเอ็ดไม่ดีนะทำบูดีน ะ, ะมันจะทอดถึงลูกถึงหลานนะเน่ยพราะนั้นน่ย นี่แหละหลวงปู่มันเพลินไปอยู่บ้านหอยทรายปลูกฝังกุปนิสัยของลูกของหลานขั้นหลวงปู่มันมีไปอยู่บ้านหอยทรายนะไปอยู่แถบนั้นหนะลวงพ่ออินเนี่ยคือจะไม่ได้บวชคือกัญมนุปัยในหลวงพ่อของหลวงพ่อเนี่ยวันนั้นปู่ย่าตายายเอื้อหนับถือเลื่อมใสคู่บาอาจารย์นับถือมาจนตนหอดท่ายทอดมาจนถึงหลวงตามหาบัวเพชรบุรีเนี้พราะหลวงปู่มัน ไปท่าทอดจะแลกกับพวกซัดท่าญาติโยกเริ่มใสนับถือซัท่ายอยู่ในจิตในเจอของเพอของมันอยู่ไงประทับใจแนวปฏิปทาของพ่อแม่คู่บายจารลงปู่เพิ่นมาสอนหมอพ่อต่อมาเนี่ลงปู่มันปี2อง2ัีอาอน่พ่อลงปู่มันเพิ่นมาอยู่เนี่นะเพิ่นมาอยู่มองนนองผือหน้าในานี่กปีเเพิ่นมาขึ้นเพิ่นมาจากเชียงใหม่มา6ก็ดปี ไอ้เพิ่นก็เลยมรณภาพอยู่วัดป่าสุทธวาฒแต่นั้นพ่อมาสุทธวัฒนหลงตามหาบัวเนี่ยไปยุ่งในหลวงปู่มันเนี่ยหกห็ดปีเจดปีมั้งอพ่อหลวงปู่มันมรณภาพแล้วเพิ่นกับไปจำพรรษาปี24งพนสี้อาบสามนะอเพิ่นไปจำพรรษาอยู่บ้านหนองผือหน้าในพ่อจําพรรษาหนองผือหน้าในแล้วอ้อพรรษาแล้วเพิ่นก็เลยล่าญาติโยมปีกวิเวกลงไปลงไทางพุ่นอะ ทังไปทังกรสินน้องกรสินลงไปทั้งพุน่นะไปทอดบานหอยทรายไปยยไปจำพันก็ไดจำพรรษายุบานหอยทรายเปิไปโปวดบานหยทรายปี2494นอะจากนั้นเพิ่งจอยู่หลายหลายปีจงพนะนะ้เาง9บเจพอกบปเนี่ยเพิ่ยังค่อยออกจากบานหยทรายมาจำ มาเอายมแแม่เพิ่นมาบวชไปบวชบัลลังก็เพิ่นไปจำพรรษาอยู่วัดสถานีทดลองจังหวัดจังจังหวัดจันทบุรีเพื่อนะจากนั้นแม้เพิ่นอยู่ไม่ได้พ่นไปแม้คือทอดบ้านพ่นไปผุดเทาคือทอดบ้าอนอาหารก็บโบคือเพื่กินข้าวเจ้าหรือเพิ่นเคยกินข้าวเหนียวเลยเพ่อนไ่ได้กินแกงเห็ดอีกตั้งหากมีแต่กินผัดกินทอดอยู่แมอยู่พ่ได้ดอกเพ่อนอาจารย์หลวงตามหาบัวหรือ เอ็ดเนนลยเอาแม้โบดล้วบานเนี่ยต้องผ่าแม้กลับบ้านแล้วบานเนี่ยกับมาอยู่บันตาดเนี่ยได้มาสร้างบ้านตาดเนี่ยปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดต่อเก้าสิบเก้าบันตาดนะลูกหลานนะนี่แหละสร้างบันตาดัตวัดตาบัานตาดนี่แหละอันนี้ลงตาไปอยู่บ้านหอยซาเนี่ยเพิ่นก็ปลูกฝังอุปนิสัยเอเอเฮาลูกเฮาหลานแถวนั้นโอ้เออคล้ายๆกับเพิ่นยังเป็นพระน้อยพระหนุ่มเลย นี่แหละพันก็ยังเข้าเดี่ยวกับลงอาโยมอาของหลวงพ่อเนี่ยน้องชายน้องชายหลวงพ่อจามเอยผู้ใหญ่จุม่มเลยนี่แหละลูกสาวผู้ใหญ่จุม่มลูกชายผู้ใหญ่จุ่มแล้วก็มาอยาได้อยู่ในนั้งอยู่นี่แหละเนี่ยพออออกุทิตเนี่ยเอเป็นลูกชายพันนะกับโยมม้วงน่ะพันผู้เดินไปสมัยหลวงู้่อจามอยู่นะไงม้วงเนี่ยจะเป็นผู้ผ้าไว้พาเนี่เสียงดังกว่าพันะแม่นเหล่านะพันมาอยู่นี่แล้วเนี่ย <laughs> ล ง, ลงตามหาบัวเนี่ยกับผู้ใหญ่จูมนี่ถือ ก, กันนะวันนั้นสมัยก่อนเนี่ยพบปันปีกับคุยลงไปกันผู้อื่นไม่ได้เลยคึงหลดเลยกับผู้ใหญ่จูมนี่ถือ ก, กันบันนั้ไปแอมเป็นยังวาวอา ย, ยู่เลยผู้ใหญ่จูมหนึ่อหมื่นหนึ่งพันไปทุระเขียนจดหมายมากเลนเขียนจดห ม, ม า, เาเยมมๆๆๆมเยอมาใครๆว่าผมเป็มากผมมีทุระจั้งๆๆๆๆทั้งงานทง้าทัเราไปเขียนจดหมายมากส่งมา ดวงตามหาบวัวเนี่ยก็มากจจับจับมันเขียนอย่างว่าจอยเห็นแต่ล่องสิว่ข่ำ ม, มันออกไปเห็นแต่ส่งสิว่ข่ำ ม, มับายให้แล้วก็ไหนดวงตามหาบวัวมันก็เลยมืออื่นมาผู้ใหญ่จุ่มามาบายว่าจังหันพไ ป, ปจุ่มมาจังหันตอนเช้าเละมาทุกมือหนังขัน้เท่าอยู่นังขันโยมอาอยู่มาท่านอาจารย์ก็ผมเขียนจดหมายมาหมื่บ้านเขียนเขียนด่วนท่านอาจารย์เข้าใจว่าที่ผมเขียนผลไา อลวงตามหาบัวเข้าก็อ่านอ่านหยุกเข่าพ่อเข่าใจหยุกเดี๋ยวท่านอาจารย์อ่านให้ผมฟังนูกปนว่ะได้ปนวะเพราะจะเพราะจะจูมว้าวไปเลยไปแต่ท่านอาจารย์อ่านให้ผมฟังนูกท่านอาจารย์เข้าใจว่าที่ผมเขียนมาเนี่ยต้งปู่จับหนังสือจดหมายมาอ้วว้าววาเคื่อมันอ่านมาออกเราไปจากจีว่าจากไหนออกไปจะม่เขียนขจุกยัก ลงตามหาบัวกับปฏิพันธ์เนี่ยมนมบเอาเอาเอาข่ำคือข่ำเลยขึ้นน้ำนายจูมผิวข่ำหมดลงไปเอเห็นแต่ข่ำตัวเดียวเดินไปอตัวอื่นอ่านบอกทั้งมัดหมดไก็เลยต่างชื่อเอาเอาเอาข่ำนี่แหละลงตามหาบัวยังเอามาเบอกอย่าเดิไปเอามาใส่ไงอย่เดินไปนี่แหละผู้ใหญ่จูบนี่แหละเนี่ยที่น้องลูกสาวพันมาเนี่เป็น เป็นน้องของหลวงพ่อกระเด็นะหลวงพ่อเนี่ยเป็นลุลุงเนี่ยเป็นเป็นพี่ชายใหญ่หมู่อะปเนี่ยแหละอันนี้ก็คืออต่อมากันนี่เน <c oughs> อะพบลุงตามหาบัวเพิ่งเบ้าอีเด้ววกวันโนไปเพิ่เบ้าอี ว, ว่าเนี่ยประหลัดประหลัดเข็มบัวเพิ่งซื้อว่าปรลัดเข็มอยู่ อ, เอำอเภอคำอำเภอหนองสูงน่ะ อ, เอำเภอคําชี อ, อีวนันไป อ, เอำเภอคําชี อ, อีนั่นแหะ คนบอกว่าผู้ใหญ่จุมเนี่ยพ้นบันดังแบบไปจุมมันดังแบบไอ้ปรลัดเนี่ยมันดังแบบเราไปประลัดดังแมบเไปเสียงมังกรบวคือหมู่นี้เป็นหมู่เสียงคนดังแบบหลงปู่หลวงตามหาบวเพื่อกระ บ, บคือยได้บาเนี่พนเพ่เอ็ดดังแบบคือกันเรไปผู้ใหญ่จุมน่แต่งตัวเหมือนผู้ว่าผู้ว่าราชการพ้นพ่อปานขาหลวง อแต่บานหาเขียนหนังสือเนี่ยพาะป่านไกลเคียเออาะเคเขียนหนังสือนะพ่อปัดไกลเคียวเพราะคนไกรเคียหาอาหารเนไม่โตยังกษนหมดไปเนี่ยแหละลงตาคนยังเอาม า, สาใส่แง่คนยังเอามาพูดโยนไปแสดงว่าคนไปอยู่หันคนกับผู้ใหญ่จุอ่อถือกันดีนะกับหลวงอาของหลวงพอนิ ย, ยมอาของหลวงพอนี่นี่แหละอันนี้ก็คือพี่น่องลูกหลานตอ น, นิ่งก็มี ลงปูจามเมื่อก็กมาอยู่สมัยนั่นลงลงพอบวชเป็นยังเป็นเน่นอยู่ไลยเป็นเย็นสิบแปดสิบเกาแล้วก็คงจะเป็นปีสองสองสองสองพั500 8, 500 9, 500 8, นหะ้5ร้อยห้าร้ยแปดห้ารนะ้อยเก่าห้าร้อยแปดห้าร้อย็ดห้าร้อยเจ็ดห้าร้อยหกห้ารอยเจ็ดลงตามลงปูจามมาเยี่ยมมาเยี่ยมโยมยาอะไรไปพอมาเยี่ยมอ ย, มยู่ย่างประเหตุมนันย้าโอ้โยมยาโย ม, มแม่พ น, มมนาอากาศนัก อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วดเดย์พุทธรไซซี่ขาเดย่ยงมแม้ของหลวงพูทจามเป็นบวชบวชเป็นแม่ชีเดยอยู่วัดของคุณแม่ชีแก้วนั่นแหะแต่คุณแม่ชีแก้วมีอยู่แต่พันมาอยู่กับหลวงตามหาบัวอ <c> อ <oughs> อืเตอนที่ย่งมยงลงตามหาบัวเอาเอ า, เอาแม่พันบวชหมดไปจากนั้นปรากฏยงมมั่นด่ายมแม้ของหลวงพุทธามยงยานีดย์โอ้เดินยงก้มเก่งเดย อซซี่ขาวไปสซไม้เท้าสองขาเแล้วก็ย่างไปไซไม้เท้าสักแปลว่าสองข้างทางเนี่ยเป็นห้อยไม้เท้าเนี่ยโอ้ชาบราบแล้วเป็นล่องเร็วนะไปอพอผพุทธร้อยเท้าสักไปนั่นเดินยังกลมนะพุทธทับนะพร้อมเลยพอเดินยังกลมเมื่อวันี้ได้สามร้อยเที่ยวมื่อนี้ได้สองร้อยเที่ยวไปนั้นนะการ ขวานหน้าของหลวงปู่โยมยาของหลวงพ่อนี่นะเป็นผู้ไฟในการบุญการกุศลอิหรี่วันน่งไปแมมของหลวงผู้จามนะ่นั่นน่ะอันนี้เขหลวงผู้จามมาอยู่นั่นก็นเลยกลับไปบานนี่มาเยี่ยมแหม่ลกลับไปพอไปอเห็นโยมแม่มีดีเพิ่นกลับมาอีกวันหนึพอกลับมาบานนี้หลวงพ่อเป็นพระอะไรได้บานนี้บวชเป็นพระปีศูนย์แดน่ะ ก็ ee, เลยหลวงพู่จามเขเลยเอามาอยู่ตุกมายูน้าเห่านะผลว่าฮ่องจะไปเยี่ยมยิ่แม้ข้าบผมอหลวงพ่อก็เลยล่าหลวงปู่ลาศหลวงปู่ลาศกับเพิ่นกัไม่จะเฮอออกมาคือพ เ, เป็นเน่นเพิ่นตั้งแปดปีเลยเป็นเน่นหลวงปู่ลานะก็เลยมาอยู่กับหลวงพู่จามปีศูนย์เก้านะจำมัณฑ์สารพออยู่ตอนนั้นเพิ่นกับหูคงจวหูจักนะหลวงพู่จามเพิ่นขุดจวหูจั ก, จกแม้ของเพิ่นหนึ่งคือจิต ละขันนะคือจะตายละข่าวนี่คงจะอยู่ไปเหิงและนะ้วเนี่พน้พนมายือพพอพ้นมายู่มีเหิงแม เ, กเมาาพนะมเก็เลยมรณภาพไมชีวไปเป็นการมรณะไปหลวงปู่จามก็เลยจัดงานศพปีศนะูนยะ์เก่าเน่เสร็จแล้วพเกิดหลวงปู่จามเสร็จแล้วพก็เลยกลับเมืองเชียงใหม่ น, ะนี่แหละหลวงพว่อก็ได้ไปจําศากับหลวงปู่แวนนะจากวัดเชียงใหม่นะี่แหละลูกหลานเนี่ย ถึงอย่างไรก็ตามนะบรรพบุรุษของพวกเฮานี่คือเาผาภูไทย เ, เป็นผู้ไฟในการบุญการกุศลคุณง่ามความดีเพราะนั้นขอให้พวกเฮานะประกอบคุณง่ามความดีตามเดินตามแนวแถวอของเผาของพวกเฮาแล้วก็ใหป้ประกอบคุณง่ามความดีจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นคนดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองสี่งใดที่มั่นบอดีอย่าคิดอย่าทับอย่าพูดในสิ่งที่มั่นบอดีคิดทําพูดแต่ถึงที่ดีอยู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสมัครีกันหักกันเหมือนหักอวัยวะหักพี่หักนองเป็นเพื่อนเป็นฟูงกันมีความพร้อมเพียงสมัคีกันรักกันเมตตากันมีเอญกับเปิ้าปารบกันนี่แหละ อันนหลวงพ่อวัดภาวษาผูพไทยออเจ้ไทยมาเหงุนลูกหลานเลยออกมาตั้งแต่พุ่นนะตั้งแต่ปีศูนย์แปดพอนหลวงพ่อเนี่ยเกิดปีสองพันสอแปดสิบแปดออกมาปีศูนย์ปดประมาณสิบกว่าปีบันีน้ิ์วัดภาษาพุทธิมันก็เลกระโดด ก, ก็เดกผสมไทยบ้างผสมเล้าบ้างผสมผ้ไทยิบ้างแต่เขาก็บอกว่า ภาษาหลวงพ่ออินเนี่ยฟังง่ายกว่าภาษาพุ้ไทยครับเพราะเพราะเพเห็นใดเพราะว่าภาษาของหลวงพ่อเนี่ยเป็นภาษาผสมภาษาานวนไปภาษาภาษาลูกลู่ผสมภาษาานวนไปน้ลู ก, ลกหาาลกานฟังเอาเนอนี่แหละความเป็นมากของเผ่าผู้ไทยแต่ทึ้งยังใดก็ตามนะฝากไว้กับลูกหลานทุกครูทุกคนเนะทางบ้านเราเกิดมาแล้วอย่าลืมเจ้าของะอย่าลืมตัวนะ พอหลวงปู่จามเนี่ยเป็นลูกอาของหลวงพ่อเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นสอนหลวงพ่อเพิ่นสอหลวงหลวงพ่ออินเนี่ยวไปเออเพิ่นเอิ่นโต้นต้แปลว่าเพิ่นอยู่เพิ่นอยู่ทางเมืองเหนือน่ะดนเลยหลวงปู่จามอยู่ทางเมืองเหนือดนอยู่ทางเชียงใหม่ดนก็เอื่นเอื่นผ้าเดีเอิ่นโต้เนี่ยเอื่นเน่เอิ่นผ้าวัไปกันเอิ่น่น่เอิ่นผ้าเออเอื่นเอิ่นเอื่นผ้าน่ยเอินตูน่เข้านี่เอินผ้า บ้านเฮาเอือนคู่บาเหกันคูบาน้อยเหอนกันขนปวดปวดไม่เอิอนคูบาขันใหญ่ขึ้นมาเอือนอาจารย์เหมืนไปนนี่แหละหลวงพ่อจามของเอิอนผูคาเนี่ยองผูกคาเนี่ยโต๊ะเกิดมาชาตินี่เฮาเป็นลูกชาวนาเข้าขใจไหมเป็นลูกชาวนาย่าลืมเจ้าของการประกอบคุณง่ามความดีมีลายยางรักษาศีล ไม่บริสุดก็กใช่แล้วก็ให้ตั้งใจพวาน า, ารักษาศีลให้ตั้งใจพวานาอันนั้นก็ใช่แต่เรื่องภายนอกอพอเลิกเกิดเป็นลูกชาวนาเป็นคนจนอยาไปกระเสือกกระสนอย่าไปแพรไปขอเขานะอย่าไปเลียบไปไล่เขาเกินความจําเป็นอย่าไปแพรไปขอเขานะขั้นแพรข อ, อหลวงปู่จามนี่มิถอเจอแท้แท้เ เออคันเห็นพวกญาติโยมมาเนี่นะเอามานังเนี่ยเออเอาทําบุญเนอะเนี่ยยาเเวาพระหลุด <c oughs> ย่าพูดมันเป็นเรื่องของเขาเน่ยฮะไปหาแนะนําเขาอย่างบอกอย่างเอคอคนคนมีเฮอเล่เฮ อ, อไรไรนะ่เนียหลวงปู่เจ้าเนี่ยเออหลวงพ่อนี่ยโอ้เออนี่ยแหละคนบอกว่าเน่ะนี่แหละเออเราเกิดเป็นคนทุกขกดจนมีหนทางมากไหม ที่จะทำสร้างสางคุณงามความดีนี่จะสร้างบุญสางกุศลบ่แ ม, ม้แต่หายท่านอย่างเดียวได้ในเมื่อเขาเกิดเป็นคนรุ้ยอ่เปิดเกิดเป็นลูกหลานกษัตริย์หรือเป็นลูกเศรษฐีเมื่อนั้นเข้ารุ้ยแล้วนะเข้าอย่าบุญเขายังคอยทําบันี้ทําเลยพอเขาเป็นเศรษฐีแล้วอา่ากันช่วงที่เข้าเป็นคนจนเข้ากัรักษาศีลเข้าก็บพระวานาแต่เรื่องท่านจะเห็น อยปันมันบวมีให้รักสินรัษาศินแล้วก็ภาวนาอันในสงของศินนะั่นสีแลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุกติใดเพราะสินสีเลนะพ่อกระสมประธาดผู้ที่จังมั่งมี่สีสุขใดก็พอรักษาศินอันในสงสงศินสีเลนนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพ่านใดเพราะศินนี่แหละให้รักษาศินให้ภาวนา เพ่งท่านอ ย, า อ, ยา อ, ยาอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดอย่าไปท่ออย่าไปทุกในเมื่อเขาเกิดมา เ, เกิดมาโมเมนต์ชาตินี้ชาติเดียวเลยเกิดมาหลายภพหลายชาติเมื่อเกิดมาแล้วเขายังคอยทำท่านบาดนี้เพราะมัเกิดเป็นคนรวยล่ะคันนาว่ า, าเกิดเป็นคนจนเ อ, อไปหา ต, ตะเกิดตะเกียกตะกายไปหาแพหาขอไปหาเหลห า, หาไล่เขามาสร้างมาท่อมาทำบุญบาดท้าเกิดเป็นเศรษฐีหมหาเศรษฐีเป็นผู้รวยแล้วพุ่น่ะ ไปหากินเหล่าเมายาสุล่าน้ารีการพนั่นสิ่งที่มั่นสัวขนเขาจ้าของบโบยจักทมบุญอันนั้นวิน ญ, ญาณโง่พนยหลวงปูจามว่านะพจนสอนหลานพนวิน ญ, ญาณโง่ย่าให้เป็นยังสั้นนะตู้นะเฮาวันนีจำโบลืมเลางพ่มันเบืองฟังมันเหมือนความลงอาวาโอลีนั่นนะวะนั่นแหละอันเดี๋ยวหลวงปูจาม เป็นที่เป็นลวงอาของหลวงพ่อสรุปเราคือคือบ่อให้ลืมเจ้าของไปอยู่ณสถานที่ใดเพราะให้ลืมเจ้าของบ่อยหลงเจ้าของอมันมีมากก็ใช่มากมันมีน้อยก็ใช่น้อยน้อยแต่ว่าเก็บเของมากเก็บคื อ, อยังต้องมีเหตุผลในการเก็บในการจ่ายก็มีเหตุผลในการจ่ายอย่าไปใส่สุส่วหลุยชั่วไหลให้หูจักประม่านเจ้าของนี่แหละลุงอาเป็นสอนหลวงพ่อนะก็ได้ลูกหลานทั้งหลายฟังฟั ง, ฟงเอาเลยเอาไปใส่เกิดคำสำรับคารวะกั ไปใส่ได้คือกันให้หูจักหาให้หูจักเก็บให้หูจักใส่จสลุยใส่สลุยชั่วไล่เอออย่าให้ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนกับเจ้าของเจ้าของก็มีแครงมีขามีตีนมีมือมีหัวอยู่คือกันเป็นอย่างบ่อเห็ดให้มันดีสั่งสมคุณงามความดีเขาสู้จิตเขาสู้ใจนั่นแหละบา้านพ่อได้บุญได้กุศลต่างคนต่างไปวันี้มาถึาางลอยปีระบาต่างคนต่างตายทำบ้านนี่บ่ไม่ปวดได้จีบอยหอดลอยปีนะลูกหลานได้นี่แหละ เมือดกันนี่อาจารย์เจียวสมพานที่นหลักอยู่บาาา้านหอยทรายพนกมาเนี่ยผ้าตาดพาโยมมากามือวันที่6 27พิบห่สิบจบดริมากมากวันเกิดหลวงพ่อนะพนเกิดพ้าญาิพายโยมมา ก, ก่อนนี่แหละเป็นอยู่วัดหลวงพู่จามเรือนี่ยพนกาลัางสางพิพิธพัณฑ์ม่ อ, อคนนั้นพวกเล่าคณะสัต์ทายย า, ายดโยมทกขไในไปทางพนก็ไปแวะก็ได้ไปกะลุงลง ปูสีวัดผานทำย่อยนะหลวงปูหลาหลวงปูจามคุณแม่ชี่แก้วกันไปมุกดาหารไปแถวท่านนะโยนในระแวกเดียวกันทั้งหมดนะปอกลกันกันพูดได้ไปกันเนี่นะไปหาครูบาแจวอาจารย์แจวเน่เปิดมาอยู่มันแล้วตอนนี้ไปรับพร น, นะคะนะ า, าัทธาญาณโยม